ภายหลังจากนิ่งเงียบไปนานและเพียงก็หลุดปากถามแผ่วเบาออกมาโดยที่ตนเองก็ไม่ตั้งใจแล้วคุณหญิงรักใครไม่เคยรักใครเลยหรือชยันหัวเราะตามนิสัยอันเปิดเผยตรงไปตรงมาของเขาโอ้ยน้อยนะเหรอจะรักใครธาตุของผู้หญิงแทบจะไม่มีอยู่ในตัวเลยคุณก็เห็นอยู่แล้วเพื่อนผู้ชายของเขามากมายกายกองก็จริงแต่ตัวเขาก็เหมือนเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่ง แล้วผู้ชายคนไหนจะกล้ารักแล้วคุณชัยยานล่ะครับมีผู้หญิงที่หมายตาไว้แล้วหรือยังจอมปรานคงถามเรื่อยๆอยู่ในกระแสเสียงเดิมคราวนี้ผู้ถามหัวเราะลัน่นผมยังไม่มีแฟนหรอกครัพินมีให้เกิดห่วงทําไมสงสัยคู่สร้างยังไม่เกิดว่าถึงตัวคุณเองบ้างเถอะก็คงอยู่ในความหมายอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละครับ เพิ่มเติมด้วยเหตุผลจำเป็นอีกสองประการคือหนึ่งฐานะอันหาเช้ากินขําของผมและสองชีวิตที่กรากรมอยู่แต่ในป่าแล้วเขาก็หัวเราะออกมาบ้างอย่างขันขันถ้าบังเอิญการข้างหน้าผมจะมีพันยาสักคนคงไม่แคร์ผู้หญิงบ้านป่าแน่ๆรูปการสิ่งแวดล้อมมันบอกชัดก็ไม่แน่นักเรื่องของคู่สร้างบุพเพส น, นิวาสชายันพูดเนิบเนิบ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 เห็นนั่งซุบซิบอะไรกันอยู่ชั ย, ยันหันไปสกิรพินบอกหน้าตาเฉยว่าโท่เอ้ยกรรมของคุณแท้แต่ไม่เป็นไรนะเราเป็นลูกแกะใครๆเขาก็รู้อ๋อนี่หาว่าฉันเป็นหมาป่างั้นสิแสนงอนประจำป่าเอตตโรลันเออเนี่ยจำนิทานอีศบเรื่องนี้ได้แม่นเหมือนกันพร้อมกับพูด ชายยันขยับตัวบิดขี้เกียจปิดปากขาวเห็นจะต้องสะสงคงคามั่งแฮะเหนียวตัวเหลือเกินน้อยนี่รอบคอบแท้อุตส่าห์เอาสบู่มาด้วยว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปหยิบสบู่แต่เจ้าของสบู่ตีมือเผียตะตวาดแหวะไม่ให้นอกจากพี่ใหญ่แล้วใครจะเอาสบู่ฉันไปใช้ไม่ได้เด็ดขาดใครจะสะสงลงคงคายัางไงก็เชิญทายริมทานโนนแน่ย่แย่ไปใบคอยก็ได้ เอาขัดขี้ใครเข้าพูดมากดินนักแล้วมีวายจะมาขอสบู่ชายยันหน้าม้อยโท่โทโ ท, โทนี่เห็นเป็นปาไหลไปเสียแล้วหรือยังไงจะให้เอาทรายกับใบคอยขัดตัวยืมหน่อยหน้าใจดําไปได้บอกว่าไม่ให้อย่างเด็ดขาดไม่ได้ยินเหรอข้าที่ปากดีนักจะต้องมาพึ่งสบู่ชั้นทําไมวานให้ไป น, นั่งเป็นเพื่อนหน่อยก็ขี้เกียจเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละ จนพี่ชายเขาอดรนทนอยู่ไม่ได้ต้องไปนั่งเป็นเพื่อนให้นี่นละ้วหรือสุภาพบุรุษก็เธอเล่นโ no น้พีสอาบน้ำแบบนี้สุภาพบุรุษที่ไหนเขาจะอยากไปนั่งเป็นเพื่อนนอกจากบุรุษที่ไม่สุภาพอย่างอื่นเตรียมมาได้สารพัดจะเตรียมชุดอาบน้ำมาสักชุดก็ไม่ได้ช ย, ยันบน่นแล้วหันมาทางระพินผู้นั่งสงบเฉย อ, อยู่พยักหน้าชวนไม่ให้สบู่เราก็ไม่งอนนีะพินนี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 เอาปืนมานั่งคุมให้หน่อยสิพวกพ้องกำลังอาบน้ำไม่มีปืนซักกระบอกไม่รู้ไม่ชี้หล่อนตะโกนตอบตรงไปไม่ขยับตัวไม่เืมตาถ้าเสือหรือช้างมันโผล่ออกมาก็ให้พรานใหญ่เขาตะวาดไล่มันไปก็แล้วกันอย่ามากวนใจชายยันจะตะโกนมาเช่นไรอีกหล่อนไม่สนใจนอนฟังเสียงชนีและนกยูงร้องสั่งสา ย, ยัน แล้วก็ปล่อยหลับไปด้วยความละเหียจากการกลําหนักมาตลอดทั้งคืนและวันทั้งสามอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่บริวณปางพักดารินก็ยังคงนอนหลับปุ๋ยอยู่เช่นนั้นไม่มีใครรบกวนหลอนเพราะสงสารที่สมบุกสมบันมาทั้งวันขณะนั้นอากาศเริ่มขมุกขมัวเพราะใกล้ข้ามเต็มทีระพินเริ่มก่อไฟสาหรับผงหาส่วนเชษฐาและชายยานนอนพักสู่บุหรี่คุยกันเบ า, เบา ทันใดนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงปืนแผดต์คำรามก้องขึ้นนัดหนึ่งสถานไปทั้งป่ามันดังไม่ห่างออกไปนักเชี่ถากับชายยันตะคุบไรเฟิลคู่มือที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณส่วนหม่อมรัชจงหญิงดาลินผู้หลับสนิทอยู่ตื่นพรวดพราดขึ้นมาด้วยอาการตกใจทั้งหมดลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมราวกับนัดกันไว้ยกเว้นพรานใหญ่คนเดียวผู้อย่างนั่งอยู่ในอาการเดิมแต่สีหน้าฉงน เงี่ยหูคอยสะดับตับฟังเสียงที่จะเกิดขึ้นต่อไปแง่ท า, ายกับเกิดชายยันกระซิปต่ำๆยิงอะไรก็ไม่รู้เราตามไปดูกันเถอะเช่ฐถากล่าวเร็วปือไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับไม่มีอะไรหรอกจอมผานขัดขึ้นเรียบๆ ย, ยิ้มให้ภายหลังจากจับเสียงและทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกลิบลงตามเดิมโดยไม่มีอะไรกระโตกกระตาก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 เหตุการณ์มันตรงกับการคาดคะเนของพรานใหญ่ทุกอย่างกลับมากันแล้วแบกอะไรกันมาด้วยนะ่ะชายยันร้องออกมาอย่างยินดีทั้งสองเดินเข้ามาถึงแง่ทรายเหวี่ยงสิ่งที่แบกอยู่รงมันคือแก้งขนาดเคื่องเกิดพูดพรางหัวเราะพังว่าพบตรงชายดงกระชิดใกล้ๆนี่เองครับผมจะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วแต่แง่ทรายบอกว่านายหญิงไม่กินเนื้อมหิงสา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 เพื่อถลกหนังแล่เนื้อทำง่วนอยู่คนเดียวเช่ดถาถามเกิดถึงนอแรดแล้วขอเอาไปพิจารณาดูชายยันเข้ามาชะโงกหน้าดูอยู่ด้วยได้ยินเสียงปืนเมื่อตะ ก, กี้เล่นเอาสะดุง้งอดีตนายทหารปืนใหญ่บอกกับพรานพื้นเมืองยิ้มยิ้มนึกว่าแกกับแง่าสายล่อ ก, กับช้างเข้าให้แล้วเกือบจะตามออกไปอยู่แล้วดีว่าพรานใหญ่ห้ามเสีย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 ภายหลังจากที่ได้แยกจากขบวนเกวียนใหญ่ออกมาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกันเองมิตรภาพสัมพันธ์กระชับเกลียวระหว่างกันและกันขึ้นอย่างแน่นแฟ้นทุกขณะหญิงสาวนั่งกอดเขา่ามองดูไฟย่างเนื้อที่กำลังจะได้ที่แล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่แคมป์ใหญ่ของเราถ้ามีอุปกรณ์ครบจะทาบาร์บีคิวแกงให้กินหายโมโหเต่าแล้วเหรอ เพื่อนชายอดกระเซ้าไม่ได้ยังไม่หายหรอกบอกต่าไว้ด้วยนะแกงตัวนี้ขอสงวนสิทธิ์โดยเฉพาะเพราะแงซสายเจตนาหามาให้ฉันนอกจากฉันแง่สายและพี่ใหญ่ซึ่งยกเว้นเป็นพิเศษแล้วคนอื่นแย่งกินขอให้ลงท้องตายหล่อนพูดหน้าตาเฉยชายยันหันไปสกิดระพินเราสาก่อไฟย่าให้เขาแท้ๆจะนึกถึงบุญคุณก็หาไม่นิ แล้วผินนี้คุณเอาเนื้อแรกที่เกิดแรกติดตัวมาย่างปนเข้าไปด้วยไม่ใช่เหรอือพยายามย่างสับกันให้ดีเถอะเปลี่ยนเอาเนื้อแรกที่คนงกกินเสียเข็ดส่วนพวกเราเลือกเนื้อแก่งกินเสียดารินชูมือหงิกๆให้มังเง ก, กนี่เนี่ยย่าฉันรู้หรอกอย่างไหนเนื้อแก่งอย่างไหนเนื้อชนิดอื่นอย่ามาแหกตาเสียยากทุกคนหัวเราะ ก, กันอย่าคลื้นอาหารข้ามริมกองไฟมื้อ น, นั้น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 เชิฐาพยักหน้าถ้าเหลือบ่ากว่าแรงเกินไปนักก็ไม่ต้องเป็นห่วงทิ้งมันเสียก็แล้วกันคงจะเนื่องมาจากการอ่อนเพลียเพราะอดนอนติดต่อกันมาหลายคืนค่ำวันนี้ดารินทรวราลิ์หลับไปก่อนทุกคนหลังเวลาอาหารเล็กน้อยเชิฐาชา ย, ยันและพรานใหญ่ยังคงหารือกันถึงแผนติดตามรอยไอ้แหวงต่อไปอีกเล็กน้อยตกลงกันเป็นที่แน่อนอนว่า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 แลเห็นขาวนวลตัดกับความทมึนมืดเป็นเงาของดงดิบฝั่งตรงข้ามเสียงหรีเรไรเพลียกระโงมอยู่เป็นจังหวะยามใดที่มีเสียงพยะกร้ายร้องคำรนขึ้นดนตรีไพเร า, รานั้นก็หยุดสงบเสียงลงชั่วขณะแล้วก็เริ่มต้นเสียงแซ่อีกต่อไปจะหยุดชะงักลงพร้อมเพลียงกันหมดเช่นนี้ในทุกครั้งที่ปรากฏเสียงเสือขึ้นนานๆครั้งจะได้ยินเสียงกวางร้องอย่างตื่นตระหนก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 แคงหูฟังเสียงและมองตาเขานิ่งๆพรุ่งนี้ควายป่าทั้งตัวอาจเหลือแต่กระดูกพ่านพื้นเมืองพึมพำในตาตื่นเบิกโพรงอยู่ในเงาสลัวของสองแสงไฟวอมแวมแก่ว่าหมาไนหรือหมาจิ้งจอกเขาหยั่งความเห็นผมว่าหมาไนครับแต่ทําไมมันถึงฝูงใหญ่อย่างนี้ผมฟังเสียงมันมานานแล้วก่อนที่นายจะตื่น ทีแรกเสือสองตัวลงกินซ่าควายก่อนไอ้พวกหมาผีนั่นจับฝูงคึกๆออกจากดงทึบฝั่งโน้นมาทีหลังไล่กัดเสือสองตัวเปิดไปแล้วพวกมันก็ยึดเหยื่อแทนลงถ้าเสือใหญ่สองตัวยังอยู่ไม่ไหวพวกมันก็จะต้องเป็นร้อยจอมพลานเม้มปากประกายตาเคร่งลงขึ้นชื่อว่าหมาแล้วในความรู้สึกของคนโดยทั่วไปมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย แต่ถ้ามันเป็นหมาในและคุมฝูงกันได้เป็นร้อยร้อยตัวเช่นนี้ต่อให้เสือที่อยู่ในชั้นเจ้าป่าถ้าเห็นไม่ทันก็มีหวังตกเป็นเหยื่อและถ้ามันเลยผ่านจากซ่าควายตัวนั้นมาโดยที่แต่ละตัวยังไม่อิ่มเต็มคาบมาอย่างที่ตั้งแคมป์ของหกชีวิตในขณะนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างลำพังไหลเฟื่ขนาดใหญ่ที่มีประจำมือกันเพียงคนละกระบอกและกระสุนเพียงไม่กี่นัด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 ทางด้านหน้าในลักษณะครึ่งวงกลมการเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมต้อนรับสถานการณ์ร้ายของเขาแล้เกิดหาได้แววไปถึงคณะนายจ้างทั้งสามที่หลับสนิทอยู่ในขณะนี้ไม่คงมีแต่งแงสายเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาช่วยสุมไฟอีกแรงหนึ่งอย่างทันต่อเหตุการณ์โดยไม่จะเป็นต้องปลุกแล้วก็นั่งคอยสดับฟังเสียงนั้นอยู่ด้วยความระมัดระวังทุกระยะฝูงหมามรุตยูยังคงวุ่นวายกันอยู่ที่ซากควายตนนั้น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 เราไม่มีลูกซองมากันด้วยเลยถ้ามีลูกซองครบมือกระสุนมากๆเราคงปะทะมันได้เหมือนเมื่อคราวที่ถูกฝูงลิงบุก ค, ครั้งนั้นเกิดคลางขึ้นอีกคนหนึ่งหันไปรวงย่ามหยิบกระสุนจุดหที่เขามอบติดตัวไว้ให้ขึ้นมานับแล้วถอนใจเฮือกเพราะมีอยู่เพียง12นัดเท่านั้นเองของแง่สายซึ่งได้รับมอบจากดาลินก็มีไม่เกินห้านัด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 ระผินแงซายและเกิดมองดูตากันเองแล้วพากันถอนใจออกมาอย่างโล่งอกพลานใหญ่ลุกขึ้นคว้าไร่เฟิ่กับไฟฉายเกิดก็ตามติดแงซายแกรอเฝ้าอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งนอนจนกว่าฉันจะกลับมาเขาหันไปสั่งหนุ่มกะเหลียงพเนจรแล้วก็พยักหน้ากับเกิดชวนกันย่องเ ล, ลาะลัดไปตามฝั่งลําธารน้ําย้อนไปยัางซาของมหฮิงสาที่ล้มอยู่เมื่อพลเหลี่ยมตะลิงใกล้เข้ามา ก็ใายไฟปราดออกไปยังตำแหน่งนั้นเกิดอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอจากลำไฟฉายขนาดแปดท่อนของรพินสิ่งที่กองอยู่ริมโขดหินนั้นหาใช่ยซาของเจ้าเขาเกกมหิงสาตัวมหึมานั้นเสียแล้วแต่กลายเป็นกองกระดูกขาวโปรนที่เรียงรายอยู่ระเกะระกะสังเกตเห็นได้จากกีบตีนทั้งสี่และหน้าบางส่วนที่ติดอยู่กับกระโหลกศรีรษะเท่านั้น ทั้งสองเดินเข้าไปสำรวจจนใกล้พบรอยตีนของฝูงหมานรกที่ย่ำเอาไว้กราดเกลื่อนเต็มไปหมดทานน้ำที่มันบุกผ่านไปเมื่ออึดใจใหญ่ๆนี้ก็ยังขุ่นคลักขวายทั้งตัวพวกมันลุมกันกัดแทะกินเสียไม่มีเหลือหรอนึกว่าจะเก็บไว้เป็นมื้อเช้าอีกสังมือ้อไอพวกหมานรกมาแย่งกินหมดเสียงเกิดสะบดสะบานผลุสวัสดตามหลังหมานฝูงนั้นไปยังหัวเสีย แล้วพินหัวเราะหึหึควรจะขอบใจเจ้าป่าที่ให้หมาฝูงนั้นพบซาควายตัวนี้เสียก่อนไม่งั้นกระดูกของแกจะกองแทนกระดูกควายนี่ไปกลับกันเถอะเขากลับเกิดเดินย้อนกลับมาที่แคมป์จากนั้นเกิดและแง่สายก็นอนโดยพรานใหญ่ทาหน้านที่เข้ายามแทนตอนปลายยามของเขาติดต่อกับยามของแง่สายมีเสียงฟ้าร้องแววมาจากทางด้านตะวันตกไกล และในระหว่างยามของแง่ทรายนั่นเองพายุฝนก็ซัดกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตามไม่ขึ้นไฟที่ก่อไว้ทุกองดับลงหมดทุกคนพา ก, กันตื่นขึ้นเพราะเสียงพายุที่ถล่มป่าและละอองฝนช่วยกันเอาผ้าใบผืนใหญ่ขึงกันฝนสาดทางด้านหน้าไว้ต่อจากนั้นก็นั่งเบียดกันอยู่ในซอกโพรงของเชเวกผาตัวสั่นสทานด้วยความหนาวเยือกจับคู่หัวใจเมื่อเย็นนี้สัตว์ใหญ่ล้มลงถึงสองตัว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 และ น, น้ำจากฟ้าที่ซัดกระนำลงมาปานมหาทมนบแตกพวกพรานป่าก็เชื่อกันว่าถ้ามีสัตว์ใหญ่ล้มฝนจะต้องตกตามธรรมเนียมครับเป็นเสียงตอบเรียบมาจากพรานใหญ่ในเงามืดแต่นี่มันตกเกินธรรมเนียมไปเสียแล้วหรือยังไงผู้กองชา ย, ยานสอดขึ้นด้วยเสียงฝนหัวรอบแปลงทุกคนต่างมีความรู้สึกกระสับกระสายอย่างไรบอกไม่ถูกโดยไม่ได้ปรีปรากบอกกัน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 ทุกคนเงียบสงบ ป, ปากเสียงราวกับนัดกันไว้ตาเบ like. ิกโพรงอยู่ในความมืดสดับฟังเสียงฝนเสียงฟ้าที่ดังเหมือนมัจจุราชคำรนกระแสน้ำในสายทานที่อยู่ตรงกลางเริ่มจะเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นทุกขณะและไหลเชี่ยวกรากคลางอู้กินอนาบริเวณชายฝั่งท่วมใกล้เชื้อเวกผาที่ตั้งแคมป์เข้ามาทุกทีเอถ้ามันจะไม่เข้าทยแล้วฮะน้าในทานนี่มันไล่แดนพวกเราเข้ามาทุกทีแล้ว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 ครั้นแล้วทันทีนั่นเองก็มีเสียงคลื่นโครมมาทางด้านเหนือของต้นน้ำปานแผ่นดินจะถล่มไม่ผิดอะไรกับคลื่นในมหาสมุทรแง่ท า, ายฉายไฟปราดขึ้นไปก็เห็นละลอกน้ำสีขาวข้นม้วนตัวสูงเทียมระดับยอดไม้กำลังถาโถมลงมาปานภูเขาเหล่ากาน้ำป่ามันมาถึงแล้วแง่าสายตะโกนก้องขึ้นสุดเสียงอย่างตนกขีดสุดทั้งหมดตะลึงพึงเพิดลาวกับถูกสาบเป็นท่อนหิน คลิปตาต่อมานั่นเองก็ปรากฏเสียงตูมสนั่นลั่นเปรี้ยขึ้นในระบบประสาทของทุกคนประหนึ่งว่าร่างกายถูกแยกออกเป็นเสียงเท้าหลุดลอยจากพื้นที่เหยียบยืนอยู่จากนั้นก็เคว้งคว้างวูบวาบโลกทั้งโลกหมุนตลบไปหมดไม่อาจสันเนียกได้ว่าตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ปราศจากการยึดเหนียวปราศจากสิ่งใดมาสัมผัสนอกจากกระแสน้าอันแสนจะเยียบเย็นที่ฉุดกระชากคลากตัวพราน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 นายจ้างสาวผู้แสนยิ่งนั่นเองเขาก็ตระหนักในะบัดนี้ว่าตนเองนอนอยู่บนจอมปลวกสูงอันมีผิวดินชื้นแฉะตอนหนึ่งป่าพรวงริมทานน้ําซึ่งบัดนี้มีสายน้ําสีแดงหลายเชี่ยวกลากเต็มฝั่งเสื้อผ้าและร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยโคลนและทรายล่าจักสะกุลสาวสวยผู้เป็นนายจ้างนั่งคุกเขาอยู่ข้างๆสภาพของรอนไม่ผิดอะไรกับเขาในขณะ น, นี้เสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่เมื่อคืน และกังเกงเดินป่าของหลอนขาดเป็นริ้วราวกับถูกกระชากด้วยมีดอันเป็นผลมาจากคมแง่หินและกิ่งไม้ขมุกขอมอมไปหมดทั้งตัวกายของหลอนสั่นสะท้านเป็นรูกนกขณะนั้นแสงอบอุ่นของตะวันสอดรอดองมาจากยอดไม้สูงเหนือศีษะลำแสงของมันบอกให้รู้ชัดว่าเป็นเวลาประมาณสามโมงเช้าพรานใหญ่พวดพลาดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วจ้องสำรวจดูหล่อนก่อน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 ที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อกางเกงเท่านั้นส่วนหล่อนก็เช่นเดียวกันคงมีแต่ปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมซึ่งสอดอยู่ในซองคาดติดอยู่กับเอวพร้อมกระสุนในรางเข็มขัดแล้วก็ชุดเสื้อผ้าติดตัวที่ขาดวุ่นวิ่นราวกับนางไพรเชิฐถาชัยยันเกิดและแง่ท า, ายหน้าบัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหน